อ่าเป็นปลายแถวแต่ปัญหาว่าเป็นสิทธิ์ปลายแถวแล้วนอนตีเข็มสบายเลยไปกันก่อนก็แล้วกันไม่ได้รีบร้อนโอ้ทายอย่างนี้ก็สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมแล้วนะผ้าก็เป็นตามกรรมของพระโยมก็เป็นไปตามกรรมของโยมอ่ะนะสับทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมของตัวของตัวใครทํากรรมอะไรก็จักสมควรแก่กรรมนะเจริญกรุณาให้กับตัวเองมากๆอ่ะนะพยายามหาเหตุหาปัจจัยอะไรนะกุศลจิตจึงจะได้เกิดได้บ่อยๆไม่อย่างนั้นเนี่ยนะโอ้ย จะเป็นศัตรูกับตัวเองไปถึงไหนหาแต่บาปหาแต่อกุศลให้ตัวทาเนี่ยนะไม่ดีเลยนะมีความมั่นคงในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะนะจะมีความสุขต่อเมื่อได้เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับอุบาสกท่านหนึ่ง ที่เป็นพระสะกะธาคามีเนี่ยช่วงไหนที่พรได้ ข, ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะเสด็จจากเข้าไปเนี่ยจะริกไปที่อื่นเนี่ยนะกขาบอกว่าใจของเขาเนี่ยแป้วเลยว่างั้นคือเหมือนกับว่าโอ้พระองค์เนี่ยจะจากเราไปแล้วเนาะห่างไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปย ไ, ปไปกลไปไกลไปไกลมันก็ไม่มีความสบายใจเลยว่างั้นมันก็เป็นความขับแค้นใจก็เหมือนกับแบบ พอแม่ที่มีลูกเออจากลูกแล้วยิ่งไปไกลไปเรื่อยไปเรื่อยมันก็ไม่สดชื่นน่ะนะมีความเสียใจลึกๆอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อไหร่ที่ได้ข่าวว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสดจจาริกเข้ามาเนี่ยนะคล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้าาเข้ามาก็จะใจก็จะสดชื่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันว่นาเออใกล้จะได้ฟังพระธรรมคำําสอนจากพระโอษของพระพุทธเจ้าแล้ว อันพระระยสาวกสมัยแต่กาสมัยแต่ก่อนสมัยพุทธกาลนั้นก็มีความสุขมีความสดชื่นอยู่กับการตามละลึกนึกถึงคุณของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะก็เป็นการสแสวงหาความปีติความปราโมทปีติปราโมทที่เกิดจากเกินการเจริญพุทธคุณเป็นต้นนั้นเป็นความสุขที่ไม่ควรละเลย พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นโทษของการมาสุขแต่พระองค์นี้สารเสิญเนคขำมาสุขเนี่ยนะสุขที่ปราศจากโทษสุขที่เป็นไปกับปุสุธรรมสุขแบบนี้เป็นสุขที่ไม่มีโทษเป็นสุขที่ควรเจริญเป็นสุขที่ควรพอกพูนถ้าผู้ที่ไม่ได้เนคขำมาสุขหรือว่าสุขที่ปราศจากอมิตรเนี่ยนะคนนั้นเนี่ยชื่อว่าเป็นคนที่มีความคับแค้นมีชีวิต ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ว่างนั้นเลยเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความยากลำบากอันผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในคุณของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกนึกถึงคุณของพระองค์เนี่ยนะติดตามละลึกตามแต่ละบทแต่ละบ ท, แ ต, ะบทแต่ละความหมายแต่ละความหมายศึกษาพุทธประวัติด้วยศึกษา ค, ครูไทยที่ตรึกเป็นอาเนี่ยนะเป็นงานเลยเขาเรียกว่าคนเจริญกรรมาฐาน เรียกว่าเจริญพุทธานุสติกรรมฐานหนึ่งในกรรมฐาน40ด้วยนะีการเจริญอนุสติพุทธานุสติเนี่ยแล้วก็รายละเอียดเนื้อหาของพุทธานุสตินั่งตรึกไปวันวันก็ไม่หมดเนะพระองค์นี่มีคุณมากจริงๆอันผู้ที่เจริญกรรมฐานไม่เป็นอยากจะเจริญกรรมฐานเนี่ยทำยังไงบอกเจริญพุทธคุณนี่แหละนี่นะศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจแล้วหมั่นตามระลึกนึกถึงคุณของพระองค์ นี่นะติดตามละลึกตามแต่ละบทแต่ละบทแต่ละความหมายแต่ละความหมายศึกษาพุทธประวัติด้วยศึกษาคุณของพระ อ, องค์ด้ว ย, ยนี่นะแล้วก็ศึกษาบุพเจริยาคุณคือความประพฤติแต่เก่าแต่ก่อนว่าพระ อ, องค์นั้นทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่างไรอย่างไรก็จะช่วยให้เราเกิดปีติเกิดปรามโมทปีติปรามโมทที่ไม่มีโทษ และขณะเดียวกันก็เป็นห่วงบุญห่วงกุศลด้วยนะ่ข้อความในทุติยะปุญญาพิสันทสูตรเนี่ยนะกล่าวถึงท่อทานบุญกุศล4อย่างด้วยกันพระองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายท่อทานบุญท่อทานกุศลเขาเรียกว่าเรียกเป็นท่อเลยนะมันไม่ใช่เล็กๆไม่ใช่แป๊บนะ มันต้องเป็นท่อใหญ่ๆเลยนะใหญ่กว่าท่อประปานใหญ่ๆอย่างเงี้ยท่อทานบุญท่อทานกุศลสี่ประการนี้นำมาซึ่งความสุขให้ซึ่งผลอันดีเลิศมีความสุขเป็นวิบากเป็นทางสวรรค์เป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาที่น่ารักที่น่าใคร่ที่ชอบใจเพื่อประโยชน์เพื่อสุขนันะ โอ้โหเาว่าเป็นท่อเลยว่า ง, งั้นห่วงแห่งบุญห่วงกุศลใช่ไหมท่อทานบุญท่อทานกุศลห่วงบุญห่วงกุศลว่า ง, งั้นเถอะสี่อย่างที่นํามาซึ่งความสุขนะเป็นเหตุให้ได้รับความสุขทั้งโลกนี้เป็นเหตุให้ได้รับความสุขทั้งโลกหน้าเป็นเหตุให้ได้โล ก, กุตระสุขแล้วก็ย่อมนํามาซึ่งผลที่ดีเลิศเรียกว่าให้ผลดีที่สุดไม่มีผลอื่นจะดีกว่านี้แล้วว่า ง, งั้น ผลเนี่ยดีเยี่ยมแล้วก็วิบากแห่งสิ่งเหล่านี้ก็ให้ผลเป็นความสุขคําว่าวิบากนั้นก็คือหมายถึงวิบากกรรมมชรูปนี่นะกรรมมชรูปเหล่านี้ก็เป็นไปกับความสุขว่างั้นแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อไปสู่สุขติโลกสวรรค์เป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาที่รักใคร่ที่ชอบใจเพราะฉะนั้นใครปรารถนาอะไรที่ อยากได้รับความสุขอยากได้รับความเจริญอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องการประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยนะประโยชน์เล่นรับประโยชน์เปิดเผยเป็นต้นเนี่ยนะใครต้องพระองค์ไม่มีบาปในที่รับไม่ความสุขเหล่านี้เนี่ยนะเพรา ะ, ะท่อทานบุญทอดคนดีไม่มีการไปในภพทั้งหลายเป็จนถึงเป็นผู้ที่สาวกในพระธรรม เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าว่าอิติปิโสพระควาแมเพอเหตุอย่างนี้อย่างนี้อรหังพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์หมายคำว่าไงนะสามารถตามระลึกได้อรหันต์ไกลาจากกิเลสกรรมจัดท่าสึกคือกิเลสหักสีกรรมแห่งสังสารจักเป็นผู้ควรต่อบูชาหรือว่าปัจจัยสี่ สการะที่เขานำบูชาพระองค์ไม่มีบาปในที่ลับไม่ทำบาปในที่ลับไกลจากคนไม่ดีใกล้กับคนดีไม่มีการไปในภพทั้งหลายเป็นจนถึงเป็นผู้ที่ควรยกย่องสรรเสริญเนี่ยนะมีความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวคือมีศรัทธาในบทว่า อ, อพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันนะเป็นพระอาหารหันเพราะมีความหมายอย่างนี้อย่างนี้สัมมาสัมพุทโธ ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองตรัสรู้ว่าธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งธรรมะเหล่านี้ควรกำหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ควรควรละธรรมะเหล่านี้ควรทำให้แจ้งธรรมะเหล่านี้ควรเริญพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้ด้วยพระองค์เองถูกต้องแม่นยำน่นะซึ่งอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการนั่นเองเน่นะหรือว่าพระองค์นั้น พระผู้มีพระภาคนั้นถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะนี่นะวิชาสามวิชา8ปดจรณะสิบห้าโอ้ตามละลึกนึกถึงคุณเหล่านี้นะเลื่อมใสในพระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณเหล่านี้วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตสเสด็จไปดีแล้วสเสด็จไปตามอริยมรรคเสด็จไปสู่พระนิพพานแล้วก็ไม่สเสด็จกลับมาหากิเลส ท, ที่ทรงละได้แล้วทรงประพฤติปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา และพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสไว้ดีและตรัสดีแล้วนี่นะสุขโตพระสุคดว่างั้นมีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคผู้เป็นสุคตาศาสดานี่นะสุคตด้วยนะสาถาเทวมนุษย์นังพระองค์เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์นั้นเป็นผู้โทรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่นะแม้กระทั่งบทว่าโลกวิทูเป็นต้นนี่นะบทอื่นๆ อ, อ, อีกแม้กระทั่งบทว่าพระตถาคต ผู้ที่มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวแล้วก็เจริญเจริญพูทุคุณทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนี่ก็เป็นท่อทานบุญกุศลข้อที่หนึ่งนํานมาซึ่งความสุขให้ซึ่งผลอันดีเลิศมีความสุขเป็นวิบากเป็นทางสวรรค์เป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาที่น่ารัก ให้ที่ชอบใจเพื่อประโยชน์เพื่อสุขนะน ะ, นะดีนะอันการเจริญพุทธคุณเนี่ยนะเป็นท่อบุญเลยนะใครถ้าอยากได้บุญเป็นท่อๆไม่อยากได้เป็นหยดแล้วนะหยดติงต้งติงตงไม่เอาแล้วอยได้เป็นท่อเลยนะเปิดก๊อกยโอ้โหก๊อกแบบเป็นร้อยนิ้วอ่ะนะเอานิ้วเล็กนิ้วนิ้วเล็กๆก็ไม่เอาเอาเป็นร้อยนิ้วพันนิ้วนี่ยแหละเป็นห่วงนะยิโกปัจตังเวธิตาโพวินอยูู่หิติเนี่ยนะ คำว่าสวากคุณอย่างต่อเนื่องคนที่เจริญพุทธคุณบ่อยๆเนี่ยนะตามและลึกนึกถึงคุณเหล่านี้บ่อยๆนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจะเพราะฉะนั้นพระอริยนึกถึงคนอื่นจะรู้สึกอย่างหนึ่งแยกแยะ ก, กุศลจิตได้เลยนะว่าเออนึกอย่างนี้เป็นไปกับกุศลเออย่างนี้เป็นอกุศลนะนะสามารถแยกแยะได้อีกข้อหนึ่งอริยาสาวกในทัพพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมสายอันไม่หวันไหวในพระธรรมว่าสวากาโตพระคัมภีรธรรมโมพระธรรมคําสอนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้วนะจนถึงสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกป จ, จตังเวทิตาโพวินยูหิติเนี่ยนะคำว่าสวากาโตนี่รวมความทั้งปริยัตปฏิบัติและปฏิเวสสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกเป็นต้นเนี่ยนะหมายเอาโล ก, กุตระธรรมอย่างเดียว เพราะฉะนั้นพระอริยาสาวกที่มีความเลื่อมใสไม่หวันไววในพระธรรมคำซสอนเป็นต้นเนี่นะนี่ก็เป็นท่อทานบุญกุศลข้อที่สองนำมาซึ่งความสุขให้ซึ่งผลอันดีเลิศมีความสุขเป็นวิบากเป็นทางสวรรค์เป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาะที่รักใคร่ที่ชอบใจเพื่อประโยชน์เพื่อสุขนั่นะ อันนี้ข้อที่สองก็คือการตามร ล, ลึกหรือว่ามีความเลื่อมใสในพระธรรมคําสอนด้วยอีกข้อหนึ่งอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไหม่หวั่นไหวในพระสงค์ว่าสุปฏิปันโนพระคาวะโตสาวกสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วเนีย่ยนะปฏิบัติดีก็คือไม่ปฏิบัติคดไม่ปฏิบัติโกง ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างเนี่ยนะปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้อริยมรรคอริยพลนปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมเนี่ยนะได้แก่พระอริยบุคคลสีู่่นับเรียงตัวบุรุษได้แดบุรุษนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอันผู้ที่ตามและลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์ทั้งหมดเหล่านี้นี่ก็เป็นท่อทานบุญ ข้อทานกุศลข้อที่สนำมาซึ่งความสุขให้ซึ่งผลอันดีเลิศมีความสุขเป็นวิบากเป็นทางสวรรค์เป็นไปเพื่อผลที่ปรารถนาที่รักใคร่ที่ชอบใจเพื่อประโยชน์เพื่อสุขเนี่ยนะข้อที่สอีกข้อหนึ่งอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยอริยกันต์ศีลคือศีลที่พระอริยะพอใจ เป็นสีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดางไม่พร้อยเป็นไทยผู้รู้สารเสรินไม่ถูกตันหาและทิฐิถูกต้องเป็นไปเพื่อสมาธินี่ก็เป็นท่อทานบุญกุศลข้อที่สี่ามาซึ่งความสุขเนี่ยนะนะซึ่งให้ผลอันดีเลิศมีสุขเป็นวิบากเป็นทางสวรรค์เป็นไปเพื่อผลที่ปรารถนาที่รักใคร่ที่ชอบใจเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะนะ ภิกษุทั้งหลายนี้แลท่อทานบุญท่อทานกุศลสนำมาซึ่งความสุขให้ซึ่งผลอันดีเลิศมีสุขเป็นวิบากเป็นทางสวรรค์เป็นไปเพื่อผลที่ปรารถนาที่รักใคร่ที่ชอบใจเพื่อประโยชน์เพื่อจากแก่นสารนนะเออชีวิตของเราจะมีสาระก็ต่อเมื่อเป็นคนที่มีความเลื่อมใสในพระตถาคตเนี่ยนะมีศีลดี ไม่วันไหวเป็นศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าเป็นอจระศรัทธาศีลของผู้ใดเป็นศีลงามเป็นศีลที่พระอริยะพอใจสลรเสริญเนี่ยนะความเลื่อมใสในพระสงฆ์ของผู้ใดมีอยู่และความเห็นของผู้ใดเป็นความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าผู้ไม่ยากจน ชีวิตของผู้นั้นไม่เป็นโมฆะคือไม่เปล่าไม่ปราศจากแก่นสารเนะเออชีวิตของเราจะมีสาระก็ต่อเมื่อเป็นคนที่มีความเลื่อมใสในพระตถาคตเนี่ยนะมีศีลดีมีความเลื่อมใสในพระธรรมในในพระสมธรรมะสีอย่างนี่สําคัญมากเลยนะเป็นองคุณของพระโสดาบันเหมือนกันนะพระโสดาบันถ้าเป็นแล้วเนี่ยนะก็คือมีความศรัทธาเลื่อมใสไม่หวั่นไหวใน คุณของพระพุทธเจ้าหนึ่งในพระธรรมสองในพระสงฆ์เป็นข้อสแล้วก็มีอริยะกันตัดสินอันพระโสดาบันเนี่ยเป็นเป็นผู้มีคุณลักษณะอย่างนั้นอันคนที่มีคุณธรรมในลักษณะนี้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นคือเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ยากไม่ใช่คนยากคนจนเลยจริงอยู่เกิดมาในชาตินี้บา ป, ปรกรรมบางอย่าง ทำให้เขาเกิดมาเป็นคนทุกคนยากคนยากคนจนคนยา ก, ยากไร้ค้นแค้นแต่พอเขาเกิดมาแล้วเนี่ยนะมีศรัทธามั่นคงในพระธรรมไตรประกอบด้วยอริยกันตศีลชีวิตของคนนี้เลือกเกิดได้ไหมชา ต, ติต่อไปเขาเลือกเกิดได้ไหมมีคุณธรรมขนาดนี้เขาเลือกเกิดได้แล้วเนี่ยนะเพราะเขามีทรัพย์อะไรใช่ไหมเขามีทรัพย์คือศรัทธาในาพระตถาคต เขามีทรัพย์คือศรัทธาในาพระธรรมคำซ้อนเขามีทรัพย์คือศรัทธาในาพระพระสงค์แล้วก็มีทรัพย์คือศีลคนมีศีลคือคนมีฮิริโอตปะนนะคนที่มีฮิริโอตปะนั้นก็แสดงว่าฟังมามากศึกษามามากเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่มีสติมีปัญญาเอันชีวิตของเขาไม่ยากจนแล้วนะเขาจนแต่เฉพาะชาตินี้กรรมบางอย่างพาให้เกิดเป็นทุกขตะเข็นใจยากไร้ แต่พบต่อๆไปเขาไม่ทุกข์ไม่ยากนะพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยเกิดมาในโลกนี้ดูเหมือนมีทรัพย์จริงใครจะรู้ว่าพระเจ้าจากักรพรรดิตายแล้วจะไปสู่อบายทุกขติวินิบาตหรือนรกใช่ไหมถ้าจากักรพรรดิองค์นั้นไม่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมแต่ว่าชีวิตของคนดีมีศีลมีธรรมมีศรัทธาอย่างนี้แล้วเนี่ยเข้าไปดีแน่เขาไม่ใช่คนทุกคนยาก เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญารำลึกถึงพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบไว้เสมอซึ่งความเลื่อมใสในพระตถาคตเนีย่ยนะถ้าหากว่าระลึกนึกถึงพระธรรมคำซ้อนในศาสนานี้เนีย่ยนะก็จะต้องมีจิตตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาศรัทธานี้เป็นยังไงนะความเลื่อมใสท่านท่านภาษาไทยพูดดีนะคําว่าเลื่อม กับคําว่าใสเลื่อมมันก็คือเป็นไงประพิมพ์ประพายหรือเปล่าเลื่อนๆวะเลื่อมกับคําว่าใสทั้งเลื่อมทั้งใสอะไรเลื่อมใสใจอะ่ะมันเลื่อมใจนี้ใสเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยเกิดขึ้นทําให้จิตใจนั้นเลื่อมใสผ่องใ ส, งใสเป็นใจที่สะอาดกิเลสทั้งหมดตกตะกอนหมดแล้วว่างั้นกลายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้น ควรประกอบไว้เสมอซึ่งความเลื่อมใสในพระตถาคตนะเลื่อมใสในศีลเลื่อมใสในพระอริยสงฆ์และสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะนะมีความเห็นตรงในพระธรรมมีความเห็นตรงในพระปริยติสัตยธรรมถ้ามีความเข้าใจถูกในปริยตัติสัตยธรรมแล้ไม่ต้องห่วงเพราะอะไรเพราะปริยติสัตยธรรมแนะนำบอกกล่าวหมดเลย พระธรรมบอกหมดเนะี่ยขอให้มีใจกับพระธรรมคำซ้อนของพระองค์เธอเนะนะีเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณธรรมอย่างนี้เนี่ยสบายแล้วนะชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่ไม่ทุกข์ไม่ยากไม่เป็นหมันแล้วเนะีนะ่ยเขาบอกว่าคําว่าปุญญาพิสันธาได้แก่ความหลั่งไหลมาแห่งบุญอธิบายว่าความเกิดขึ้นแห่งบุญ นะใครที่ประสงค์บุญมากๆ ก, ก็ควรที่จะเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ด้วยการตามรละลึกนึกถึงพุทธคุณเป็นต้นนี่นะท่านการเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเราสามารถเจริญคุณถูกเนี่ยนะก็เชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุที่เลิศอันผู้ที่เลื่อมใสในวัตถุที่เลิศบุญที่เลิศก็ย่อมสำเร็จแก่เขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่หาที่ทาบุญไม่ได้นะ ฝั่งสูตรนี้แล้วก็แหม่สบายแล้วข้อความในภาษาทสูตรอังคุตระนิกายเจตุการนิบาศเหมือนกันว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศสประการนี้ความเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ4ประการเป็นไงนคือสัตว์ทั้งหลายเป็นอาบทอาบทก็คือสัตว์ไม่มีเท้าก็ดีเป็นทวิบททวิบทก็คือสัตว์สองเท้าก็ดีเจตุระบท สัตว์สี่เท้าก็ดีพระหโบทสัตว์มีเท้ามากก็ดีก็คือนับตั้งแต่สัตว์ที่ไม่มีเท้าเลยสัตว์ไม่มีเท้าก็คลานเอาอย่างเดียวเช่นงูใช่ไหมงูนี่ไม่มีเท้าสัตว์ที่มีเท้าเดียวนี่มีไหมเคยเห็นไหมคนขาขาดตอนนั้นแหละนาะมัมีมีเท้าข้างเดียวธรรมดาไม่มีหรอกงั้นก็มีแต่สองเท้าอ่นะคนขาขาดก็มีเท้าเดียวทีนี้ สาเท้าก็หายากเหมนันนะเว้นไว้แต่คนขาหักแล้วก็ใส่เฟือกอันนึงแล้วมีไม้ค้ำมีข้างอะไรเงี้ยนี้สามเท้าแต่ว่าเท้าจริงๆคนสามเท้าหายากนะมีสามเอ่อวัวบางตัวมีสามขานี่ก็พิเรนอยู่เหมือนกันแต่ก็สัตว์สี่เท้าก็มีนันะห้าเท้านี่ก็หายากนะมีแต่เกินนั้นแตเลยมีหกไปเลยนันะมีหกมีแปดหรือกิ้งเกิร์นเนี่ยนะเยอะแต่สวมรองเท้าเตะฟุตบอลในยุ่งกันนะ ยิง เ, เกินนี่ยเท้ามเยอะเหลือเกินเพราะฉนนัน้สัตว์ที่มีไม่มีเทา้าสัต 2, ว์สองเท้าสัต 4, ว์4เท้าหรือว่าสัตว์มากเท้าก็ดีเป็นผู้มีรูปให้ก็ดีคือเนวสัญญาพรหมเนี่ยนะหรือว่ามนุษย์สัตว์ที่มีรูปทั้งหมดเลยตั้งแต่อบายทุกติวินิบาตนะรกไล่มาจนถึงมนุษย์เทวดารูปประพรหมหรืออสัญญาสัตตาพรหมหรื อ, อารูปประพรหมเนี่ยนะ ในเว้นอรูปปรมชื่อว่าสัตว์ที่มีรูปอรูปปร์สัตว์ที่ไม่มีรูปหรือสัตว์ผู้มีสัญญาก็ดีสัตว์ที่มีสัญญาก็คือสัตว์ที่เกิดในจตุโวการะพกับปัญจโวการะพนี้เขาเรียกว่าสัตว์มีสัญญาสัตว์ไม่มีสัญญาก็คือที่เกิดในเอกโวการะพบหรืออสัญญสัตตาผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ดีคือเนวะสัญญา มีประมาณท